คำว่าย่อมไม่มีการถึงความตกลงใจในธรรมทั้งหลายคำว่าธรรมทั้งหลายก็คือที่ทีหกสิบสเนี่ยนะคำว่าถึงความตกลงใจก็คือตัดสินแล้วชี้ขาดคนา้นคว้าแสวงหาเทียบเคียงตรวจตราสอบสวนทําให้แจ่มแจ้ ง, แ, จงแล้วจับมั่นยึดมั่นถือมั่นรวมถือรวบถือรวมถือเนี่ยนะรวบรวมถือคือความถือความยึดถือความยึดมั่นความถือมั่นความน้อมใจเชื่อว่าสิ่งนี้จริงสิ่งอื่นไม่ใช่ ว่าสิ่งนี้จริงแน่แท้เป็นสภาพตามเป็นจริงไม่ได้วิปริตย่อมไม่มีไม่ปรากฏไม่เข้าไปได้หรือธรรมะอันทัขีนาศกนั้นละตัดขาดสงบประงับดับทําให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสร็จแล้วด้วยไฟคือยานพรา ะ, ะนนในความตกลงใจด้วยอํานาจทิฐิเนี่ยนะที่ที่พระอรหันต์จะไปคิดด้วยอํานาจทิฐิ62เนี่ยไม่มีแล้วแม่โดยประการทั้งปวงเนี่ยนะถ้าจะว่าไปเนี่ยนะ ทิฏฐิหกบสองเนี่ยอาศัยอะไรเกิดเกิดที่ไหนทิฏฐิหกสิบสองมันเกิดขึ้นโดยอาศัยขันห้าเนี่ยนะพระหันตะีนาศบท่านวิจัยคน้นคว้าพิจารณาทําปริญญาในขันห้าทั้งที่ยตะปริญญาตรีนาปริญญาปหานะ ป, ปริญญาในขันห้าเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่มีทิฏฐิในขันห้าโดยประการทั้งปวงเพราะว่าทิฐิที่เป็นมิจฉาทิฐิทั้งหลายในโลกเกิดขึ้นโดยอาศัย ขันห้ามีขันห้าเป็นที่ตั้งมีขันห้าเป็นปัจจัยมีขันห้าเป็นอารมณ์ถ้าผู้ที่รอบรู้พิจารณารอบคอบในขันห้าทั้งเหตุเกิดความดับอาสาธาอาทีนวะนิสรณะในขันห้าจะไม่มีทิฐิในขันห้าอีกต่อไปดันั้นโดยสรุปก็ว่าความตั้งไว้ด้วยตัณหาเนี่ยนะซึ่งส่วนสุดทั้งสองไม่มีแก่พระอาหารหันเพื่อพบน้อยพบใหญ่ในโลกนี้หรือโลกหน้า พระอรหันย่อมไม่มีเครื่องอยู่ด้วยอำนาจตัญหาเลทิฏิอะไรๆเพราะฉะนั้นท่านย่อมไม่มีการตกลงใจด้วยทิฏฐิในธรรมทั้งหลายแล้วถือมั่นจะไม่มีการยึดถือด้วยอำนาจทิฏฐิแม้แต่อย่างเดียวทิฏฐิที่สัญญาให้เกิดขึ้นแม้เล็กน้อยที่สัญญากำหนดแล้วในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินหรืออารมณ์ที่ทราบในโลกนี้ย่อมไม่มีแก่พระขีณาสพนั้นใครๆในโลกนี้พึงกาหนดซึ่งพระอรหันนั้นว่า ผู้เป็นพรามไม่ยึดถือทิฐิด้วยกิเลสอะไรเล่า น, นะทิฐิทุกชนิดนะทิฐิตรงนี้ท่านบอกว่าเกิดจากสัญญา น, นะสัญญาเนี่ยกำหนด น, นะเช่นรูปสัญญาสัตธาสัญญาเป็นต้นอ่นนะมันเป็นเหตุให้เกิดทิฐิอ่า น, นะเพราะว่าตันหาเขาบอกว่ า, า, วาธรรมะเครื่องเนิ่นช้าเนี่ยนะคือทิฐิมีสัญญาเป็นเหตุ คิดว่าปปัญจสัญญาเนี่ยนะปะปัญจรทำอ่ะสัญญานี้เป็นเหตุเป็นรากเง่าเป็นปัจจัยแห่งทิฐิเหมือนนเพราะเมื่อทิฐิเกิดขึ้นโดยที่อาศัยสัญญาเนี่ยนะผ้าหันท่านทำปริญญาในสัญญารอบรู้ในสัญญารอบรู้ในปัจจัยแห่งสัญญาเพราะท่านจึงไม่มีทิฐิในสัญญานะไม่ว่าจะที่ใดพระ้าหันก็ไม่มีทิฐิเพราะฉะนั้นใครๆจะไปกําหนดว่าพาระ้าหัน์อย่างเนี้ยท่านจะ เอากิเลสอะไรมากำหนดท่านไม่ได้เมื่อเอากิเลสมากำหนดไม่ได้ก็เท่าบอกไม่สามารถกำหนดพบใดๆของพระอรหันต์ได้อธิบายว่าที่ที่ที่สัญญาให้เกิดขึ้นแม้เล็กน้อยที่สัญญากำหนดแล้วในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินหรืออารมณ์ที่ทราบในโลกนี้ย่อมไม่มีแก่พระอรหันต์นั้นะ่ะ บอกว่าทิฏฐิอันสัญญาให้เกิดขึ้นนะรูปสัญญาสัทธสัญญาคันธสัญญารัษสัญญาโพธภาษัญญาธรรมสัญญาเนี่ยนะสัญญาอันนี้ร้ายกาจมากมันเป็นมันเป็นตัวทําให้ทิฏฐิเกิดขึ้นนะนะสัญญาเนี่ยกำหนดทิฏฐิปรุงแต่งตั้งไว้เพราะเป็นทิฏฐิมีสัญญาเป็นประธานมีสัญญาเป็นใหญ่และความถือต่างด้วยสัญญานะสัญญาในรูปที่เห็นอ่านะถือว่าความบริสุทธิ์จะมีได้เพราะรูปที่เห็น ไปสัมคัตสัญญาแบบนั้นน่ะไปจ that, ําหมายไว้แบบนั้นว่าถ้าเห็นแล้วจะบริสุทธ์นาะถ้าดูแล้วจะบริสุทธิ์ถ้าฟังแล้วจะบริสุทธิ์จะบริสุทธิ์เพราะฟังจะบริสุทธิ์เพราะเสียงเหมือนกันหรือจะบริสุทธิ์เพราะอารมณ์ที่ทราบเนี่ยนะคือจะบริสุทธิ์เพราะอาศัยกลิ่นจะบริสุทธิ์เพราะอาศัยรสจะบริสุทธิ์เพราะอาศัยโภธพภะเนี่ยนะก็อาศัยสิ่งเหล่าเนี้ยก็คือถือรูปเสียงเปลิ่นรสโภธพภะว่าเป็นความบริสุทธิ์อ่ะนะเพราะฉะนั้น ย่อมไม่มีไม่ปรากฏไม่เข้าไปได้แก่พระอรหันตตะขีนาศพนีนะเพราะสัญญาเหล่านี้ไม่มีแก่พระอรหันต์สัญญาที่เป็นต้นเหตุแห่งทิฐิเนี่ยนะไม่มีแก่พระอรหันต์เลยเพราะพระอรหันต์นั้นอะทิฏฐินั้นอันพระอรหันตขีนาศละตัดขาดสงบประงับดับทําให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสียแล้วด้วยไฟคือยานนะทวนว่าสัญญาเนี่ยนะสัญญาทั้งหกเนี่ย สัญญาเหล่านี้มันเป็นต้นเหตุแห่งมิจฉาทิฏฐิพระอรหันต์เนี่ยท่านทำปริญญารอบรู้ในสัญญาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะทั้งรูปสัญญาสัท ธ, ธาสัญญาคันทาราศโพธภาษาสัญญา การมสัญญาพยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญาเนคคัมมสัญญาอัพยาปาธาสัญญาวิหิงสัญญาอาทิวัจนะสัญญาเนี่ยนะปฏิฆาสัญญาเนี่ยสัญญาทุกชนิดพผ้ารหันท่านทำปริญญาพิจารณารอบรู้ว่าทั้งโดยเหตุเกิดความดับอาสาธาอาทีนวานิสรณะจนสามารถถ่ายถอนฉันทราค่าในสัญญาพันสัญญาเหล่านั้นอ่ะไม่ได้เป็นเหตุแห่งทิฏฐิของพผ้ารหันเลยเนี่ยนะ คือไม่ได้เป็นเหตุแห่งมิจฉาทิฏฐิสำหรับพระละหันเลยผ้าละหันนั้นอ่ะผู้เป็นพรามเป็นพรามก็คือลอยบาปนะลอยอะไรก็ลอยส ก, กายาทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตะปรามาศลอยราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิอ่ะผ้าละหันท่านลอยหมดผันผ้าระหันเนี่ยเป็นผู้อันตันหาและทิฐิไม่อาศัยเป็นผู้คงที่ก็เลยเรียกว่าเป็นพรามผ้าละหันนั้นผู้เป็นพรามไม่ยึดถือทิฐิความว่า พระอรหันต์นั้นผู้เป็นพรามไม่ยึดถือไม่ถือเอาไม่ถือมั่นไม่ยึดมั่นซึ่งทิฏฐิอ่ะนะไม่ยึดถือด้วยอํานาจทิฏฐิเลยก็ไอ้ทิฏฐิมันเข้าใจผิดอ่ะนะมันรู้ผิดมันเห็นผิดมันวิปริตมันคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงอ่ะพรานั้นพระอรหันต์ท่านละทิฏฐิเหล่านั้นเพราะท่านรู้ตามความเป็นจริงมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะมันยึดถือว่าอะไรยึดถือว่าเที่ยงยึดถือว่าสุขยึดถือว่างามยึดถือว่าอัตตา ท่านพระอรหันต์ท่านเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาความเป็นอสุภาพแห่งขันห้าเมื่อท่านรอบรู้ขันห้าลักษณะนี้แล้วอ่ะท่านจะไปยึดถือด้วยอำนาจทิฏฐิเพราะอะไรเพราะฉะนั้นพระอรหันต์เนี่ยท่านจึงไม่ได้กำหนดด้วยอำนาจของตัณหาและทิฏฐิ เพราะฉะนั้นพผ้ารหันนั้นอะละความกําหนดด้วยตันหาสละคืนความกําหนดด้วยทิฏฐิเพราะเป็นผู้ละความกําหนดด้วยตันหาสละคืนความกําหนดด้วยทิฏฐิแล้วใครใครจะพึงกําหนดบุคคล น, นั้นอะคือผ้ารหันนั้นอะด้วยราคฆโทสะโมหะมานะทิฏฐิอุทจาวิจิกิจชาอนุสัยอะไรเล่า จะเอากิเลสอะไรไปกำหนดท่านกำหนดท่านว่าเป็นผู้กำนัดขัดเครื่องลุ่มหลงผูกพันยึดมั่นฟุ้งซ่านไม่ตกลงหรือว่ามีกิเลสมีกาลังเนี่ยนะกิเลสเครื่องปรุงแต่งเหล่านั้นอันผ้ารหัรนั้นะละแลว้วเพราะเป็นผู้ละกิเลสเครื่องปรุงแต่งเหล่านั้นใครๆอะ่ะจะพึงกำหนดคติแห่งบุคคล น, นั้นด้วยกิเลสอะไรเล่า คือถ้าไม่มีกิเลสอย่างนี้แล้วจะไปกําหนดได้ยังไงว่าท่านจะเกิดในนรกเปรตอสุรกายสัตว์นิรชาติมนุษย์หรือเทวดาจะไปกําหนดยังไงว่าเป็นสัตว์มีรูปไม่มีรูปมีสัญญาไม่มีสัญญาหรือว่าเนวสัญญานาสัญญายาตนะเพราะกิเลสที่เป็นต้นเหตุแห่งการเกิดในคติห้าในสัตว์มีรูปไม่มีรูปสัตว์มีสัญญาไม่มีสัญญาเนวสัญญานาสัญญาเนี่ยนะพระอรหันต์ท่านตัดเชื้อแห่งการปฏิสนธิ แห่งการก่อตัวของขันของคติเหล่านั้นหมดแล้วเพราะฉะนั้นพระอรหันต์นั้นไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีกัาณะอันเป็นเครื่องกําหนดกําหนดวิเศษเข้าถึงความกําหนดเนี่ยนะกาหนดท่านไม่ได้เลยอ่ะนะถามว่าของเราตอนนี้กําหนดว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนเนี่ยนะก็หาที่กําหนดไม่ได้เพราะถ้าสําหรับผู้ที่จะ ก, กําหนดนะอาศัยกิเลสเนี่ยเป็นตัวกําหนดก่อนนะว่า เช่นของพวกเราทั้งหลายที่เรียกว่ายังกำหนดที่เกิดก็เพราะยังมีกิเลสเนี่ยเป็นตัวให้กำหนดอ่ะถ้าปฏิบัติจนชําระกิเลสตัดกิเลสได้หมดก็กำหนดที่ไปไม่ได้แล้วเรียกว่าเหมือนประททศที่ที่ดับนะประทีบที่สิ้นเชื้อสิ้นใส้สิ้นน้ามันหมดอ่ะนะดับไปก็ไม่สามารถจะหาที่ไปได้ฉันนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่มีใครที่จะสามารถกาหนดที่ที่ ไตของพระาหันได้ไม่รู้จะเอาอะไรมากําหนดท่านสรุปก็คือว่าทิฐิที่สัญญาให้เกิดขึ้นแม้เล็กน้อยที่สัญญากําหนดแล้วในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ฟังหรืออารมณ์ที่ทราบในโลกนี้ไม่มีแก่พรหรันเนี่ยนะสรุปว่าพรหันเนี่ยไม่มีกิเลสที่ที่เป็นทิฐิเนี่ยนะทิฐินี่เกิดจากสัญญาเนื่องจากว่าพรหันทําปริญญาในสัญญาหมดแล้วจึงตัดทิฐิได้โดยเด็ดขาดฉะนั้นทิฐิเนี่ยไม่เกิดขึ้น แม้แต่นิดเดียวในทุกอารมณ์เลยนะฉะนั้นใครๆในโลกนี้เพิ่งกําหนดพระอรหันต์นั้นผู้เป็นพรามไม่ยึดถือทิฐิด้วยกิเลสอะไรสรุปว่าถ้าท่านหมดกิเลสได้แล้วอ่ะจะไปกําหนดว่าท่านจะไปที่ไหนว่า ง, งั้นพระอรหันต์ตะขีนาศบทั้งหลายย่อมไม่กําหนดย่อมไม่ทําตัณหาและทิฏฐิไว้ในเบื้องหน้าแม้ธรรมะคือทิฏฐิทั้งหลายอันพระอรหันตเหล่านั้นอ่ะไม่ปรารถนาเฉพาะแล้ว นนะท่านไม่ต้องการทิฐิเลยนะพระอรหันต์เนี่ยเบื่อหน่ายในทิฐิเห็นโทษภัยในทิฐิเพราะอะไรเพราะทิฏฐิเนี่ยอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นนะนะมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาถ้าผู้ใดยึดถือครอบครองในทิฐิก็คติสองของทิฐิใช่ไหมคือนรกกับเดรฉานเพราะนนั้ทิฐิมันเลวตัวมันเองก็ไม่เที่ยงด้วยผลของมันก็ไม่เที่ยงด้วยเพราะนั้นท่านจะไปยึดถืออะไรท่านจะไปปราถนาทํ า, าทไมอทิฐิอันนี้ พราะผ้าอรหันผู้เป็นพรามอันใครใครไม่พึงนำไปด้วยศีลและพรย่อมเป็นผู้ถึงฝั่งไม่กลับมาพระอรหันเนี่ยถึงฝั่งไม่มีการกลับมาเป็นผู้คงที่ทั้งในอิทธารมและอนิถารมเนี่ยนะมั่นคงทั้งในอารมณ์ที่น่าปรารถนาและอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาภาษารีบยบท่านอธิบายว่าคำว่าพระอรหันตะขีนาศพทั้งหลายย่อมไม่กาหนด ย่อมไม่ทำตันหาและทิฐิเอาไว้ในเบื้องหน้าเนี่ยนะคำว่ากำหนดก็กำหนดด้วยตันหากับทิฐิเนี่ยนะถามว่าถ้ากำหนดด้วยตันหามกำหนดว่ายังไงพวกที่กำหนดในด้วยตันหาทั้งหลายก็คือพวกกำหนดด้วยตันหาก็คือวัตถุที่ทำให้เป็นเขตเป็นแดนเป็นส่วนเป็นแผนกกำหนดถือเอาถือเอาว่าของเรา ด้วยตันหามีประมาณเท่าไหรย่อมยึดถือว่าของเราซึ่งวัตถุมีประมาณเท่านั้นว่าสิ่งนี้เป็นของเราสิ่งนั้นก็เป็นของเรารถก็เป็นของเราใช่ไหมบ้านก็เป็นของเราเมียก็มีเราลูกก็ลูกเราที่ทำงานก็ทำงานเราเงินเราทองเราเพชรเราพลอยเรานะอะไรอะไรก็เราไปหมดเลย ท่านก็เลยยึดถือว่าสิ่งนี้เป็นของเราสิ่งนี้ของเรามีประมาณเท่านี้นี่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสอันนี้เป็นเครื่องราชเครื่องนุ่งห่มนี้เป็นถัดกรรมกรคนงานคนใช้ของเราเหมนนี่เป็นแพะเป็แกะเป็นไก่เป็นสุกรเป็นช้างเป็นม้าเป็นโคเป็นลาเป็นหมาเป็นที่ดินเป็นเงินเป็นทองบ้านที่ดินนิคมราชธานีแว่นแคว้นชนบทฉางของเราคลังของเรา แต่บ้านของเราตำบลของเราอำเภอของเราจังหวัดของเราประเทศของเราโลกของเราเนี่ยดวงจันทร์ของเราดวงอาทิตย์ของเรามันยึดเอาหมดเลยนะว่าเป็นของเราอะนะโอ้ยมันยึดเอาจริงๆเลยแปลว่ายึดแม้กระทั่งแผ่นดินใหญ่ทั้งสิ้นด้วยอำนาจแห่งตันหาว่าของเราใช่ไหมถ้าออกไปนอกโลกนะปุ๊บถ้าถ่ายรูปมาจากดวงจันทร์บอกโลกนี้ทั้งหมดเป็นของเราโลกของเราใช่ไหมแหมทุกอย่างเนี่ยใช้คําว่าของเราหมดเลยอะไรก็ของเราหมดอนะ ปัญหาอันวิปริตร้อยแปดนั่นแหละชื่อว่าความกําหนดด้วยตัญหาพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่ได้กําหนดด้วยตัญหาลักษณะนี้ไม่ได้เข้าไปยึดถืออย่างที่กล่าวแม้แต่น้อยเดียวส่วนความกําหนดด้วยทิฏฐิก็คือสกายะทิฏฐิมีวัตถุยี่สิบก็คือยึดถือขันห้าว่าเป็นอัตตานะมิจฉาทิฏฐิมีวัตถุสิบก็คือปฏิเสธแม้กระทั่งว่าทานไม่มีผลเป็นต้นอันตักคาหิกะทิฏฐิก็คือยึดถือว่าอัตตาเนี่ยเที่ยงหรือว่าอัตตาเนี่ยศูนย์เป็นต้นนั่นเองเพราะนั้นตัวทิิฐ กันะความรกคือทิฏฐิกันดานคือทิฏฐิเสีย่น้ําคือทิฏฐิดิ่นร่นคือทิฏฐิเครื่องประกอบคือทิฏฐิความยึดความถือถือมั่นยึดถือทางผิดคลองผิดเห็นผิดรับที่เดียรถีถือเอาโดยแสวงหาผิดถือวิปริตถือวิปราชถือผิดถือในสิ่งที่ไม่แน่นอนว่าเป็นสิ่งแน่นอนเห็นปานนั้นตลอดจนถึงทิฏฐิ62เรียกว่าความกําหนดด้วยทิฏฐิความกําหนดด้วยทิฏฐิเหล่านี้เนี่ย พระอรหันต์ะีณาศพละได้แล้วเพราะฉะนั้นพระอรหันตะคีณาศพทั้งหลายละความกำหนดด้วยตันหาสละคืนความกำหนดด้วยทิฏฐิแล้วเป็นผู้ละความกำหนดด้วยตันหาสละคืนความกำหนดด้วยทิฏฐิแล้วพระอรหันตะคีณาศพเหล่านั้นจึงไม่กำหนดด้วยตันหาหรือทำความกำหนดด้วยทิฏฐิคือไม่ให้เกิดขึ้นไม่ให้เกิดพร้อมไม่ให้บังเกิดไม่ให้บังเกิดเฉพาะนยนะ